เกิดในในโลกทั้งสามไตรไตรภพอรู้จักไตรภพไหมชอบไหมพิธีกรใช่ไหมแต่ไตรภพหมายถึงว่าภพทั้ง3ามภพทั้งสามคืออะไรการมาภพรูปภพอรูปภพถ้าเรามีเจตนาในการที่จะดูแล้วเกิดพอใจในกามคือพอใจในการเห็นการฟังการดมการกินการสัมผัสเนี่ยนะพอใจในเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกามมาภพพอใจในการที่จะเพ่งอยู่กับ รูปใดรูปหนึ่งนิ่งๆก็เรียกอยู่ในรูปประพบพอใจอยู่ในความว่างๆนิ่งๆว่างก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานนะไอ้ว่างที่เราทำานี่ต้องเป็นการว่างที่เรียกว่าอรูปพอใจในความว่างกลายเป็นอยู่ในอรูปประพบถ้ายังทำทำกรรมแบบนี้อยู่นะพอใจอย่างนี้อยู่นะยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกทั้งสามนี้ยังยังวนเวียนอยู่ยังไม่พ้นแต่ถ้าเมื่อใด ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่จิตทา ง, งานเองตอนนี้มันพ้นเป็นจังหวะที่มันพ้นโลกเข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยต้องเจตนาไปก่อนนะสะสมจนจิตมันจำได้พอจิตจำได้จิตทา ง, งานเองไม่เจตนาตอนนี้แหละจะถึงมรรคผลแต่มันจะพอเมื่อไหร่ประสบการในการดูจิตดูกิเลสของเรามันจะพอเมื่อไหร่เนี่ยนะบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ไม่เหมือนการเรียนว่า เรียนมหาลัย4ปีแล้วจะได้ปริญญาตรีเลยนะมันไม่แน่ใช่ไหมบางคนเปียังไม่จบเงี้ยขนาดไอ้ที่เขามีมาตรฐานเป็นเวลาเห็นเห็นอย่างเงี้ยมันยังเอาแน่ไม่ได้ที่เราฝึกกันเนี่ยมันก็เอาแน่ไม่ได้ว่าใครจะฝึกกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันขึ้นอยู่กับปริมาณในการระลึกได้ว่าเมื่อกี้นี้มีกี่เรท อ, อะไรเกิดขึ้นเราระลึกได้บ่อยแค่ไหนเพราะนั้นวิธีที่จะให้มันมีสติ